ธรรมนักธรรมชั้นโทมูลที่ยี่สิบเจ็ดบรรยายโดยพระอาจารย์มหาเพราะทิตาสีโลจเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทโ<อ>เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะพูดในหมวดที่หกว่าด้วยเรื่อง อภิฐานแปลว่าฐานะอย่างหนัก6กประการขึ้นหนึ่งมาตุคาขฆามารดาสองปิตุคาตฆาบิดา 3. อรหันตคาตฆาพระอรหันตสี่โลหิตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นห้าสังฆเภท ยังสงให้แตกจากกันหกอัญญสัตวุเทศถือศาสดาอื่นถือศาสดาอื่นทั้งหกอย่างนี้แหละเรียกว่าอาภิฐานฉะนั้นในคำว่าอาภิฐานที่แปลว่าฐานะยังหนักหกประการนี้ถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายในลองพินิจพิจารณาศึกษาตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่า เป็นสิ่งสำคัญมากนะเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างในข้อข้อหนึ่งกับข้อสองที่บอกว่ามาตูคาตกับปิตูคาตนะจะอธิบายไปรวมกันเพราะเหมือนกันว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่พูดง่ายๆหรือว่าฆ่าแม่ฆ่าพ่อคนคนเราทุกคนผู้มีจิตใจโหดร้ายถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้แล้วจะไม่ฆ่าผู้อื่นเห็นเห็นจะไม่มี เห็นจะไม่มีก็ขนาดพ่อแม่ของตัวเองยังฆ่าได้ทำไมจะฆ่าคนอื่นไม่ได้ถ้าไ ม, ไม่พอใจในคนอื่นหน่อยเดียวก็จะฆ่าได้ดข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจะถือว่าผู้นั้นนั้นมีจิตใจดำอำมห็ตมากมีจิตใจโหดเคี้ยมมากมีจิตใจร้ายจะได้รับความติเตียนแล้วจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทําลายวงตระกูลอีกด้วยข้อนี้ก็อยากจะพูดให้กว้างออกไปอีกหน่อย ว่าทุกวันนี้คนเราฆ่าพ่อฆ่าแม่กันมากที่ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่กันมากในที่นี้ก็หมายความว่าเราฆ่าทางจิตใจของท่า น, นทําร้ายในทางอ้อมก็คือหมายถึงว่าลูกทุกวันนี้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมผิดคำพูดของพ่อแม่ ลูกว่านอนสอนยากนว่ายากสอนยากลูกหัวดือดลูกอย่างนี้แหละคือลูกที่ฆ่าจิตใจของพ่อแม่คือลูกที่ทรมานพ่อแม่ลูกบางคนสร้างแต่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับพ่อแม่ลูกบางคนเหยียบย่ําน้ําใจพ่อแม่ลูกบางคนล้างผลาญพ่อแม่ลูกบางคน ดูด่าว่าพ่อแม่โดยประการต่างๆลูกอย่างนี้แหละก็ลูกที่ฆ่าพ่อแม่อีกเหมือนกั น, นเป็นลูกที่ฆ่าพ่อแม่อีกเหมือนกันแต่ว่าฆ่าโดยทางอ้อแล้วฆ่าอย่างนี้ฆ่ายังทรมานอีกด้วยนยิ่งกว่าฆ่าให้ตัวตายไปเลยอีกด้วยการที่เราจะฆ่าพ่อแม่เอาปืนมายิงเอาเม็ดมาแทงนั้นก็ตายไปเลยนปุ๊บปั๊บก็ตายไปเลยแต่ว่าการฆ่าแบบทรมานอย่างนี้เป็นการเรียกว่า เป็นการฆ่าผ่นส่งเป็นฆ่าตะกรอนผ่อนส่ ง, รรสงทุกวันนะว่ายากสอนอยากไม่เอาทานไม่เอางานอประพฤตินอกเทธินอกร้อยสร้างความทุกข์คามเดือดร้อนให้กับพ่อแม่มีแต่ชักน้าพ่อแม่ให้ขึ้นรง้งขึ้นศาลล้างศาลทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เงินทองหมดแล้วก็ที่ดินไร่นาเลือกสวนอะไรก็เอาไปจำนองจำนาหมดนี่ลูกอย่างนี้แหละคือลูกที่ที่ฆ้าพ่อข้าแม่ทรมานพ่อแม่ บาปมากตกนรกนะตกนรกท่านั้นเขาจะบอกว่าไอ้ลูกคนเราเนี่ยมันมีอยู่หกลูกนะมีอยู่หกลูกหรือหกประเภทหนึ่งลูกเกาะนะไอ้ลูกเกาก็คือก็คือลูกที่เกาะพ่อเกอกแม่อ้อขอประทานโทษอันหนึ่งลูกกบไอ้ลูกกบตัวเล็กๆเขาเรียกว่าลูกอสต์นะไอ้ลูกอสต์ในตัวมันเล็กๆก็เหมือนกับปลาเหมือนกับปลาหางมันยาว พอโตไปมันก็กินหางของตัวมันให้สั้นลงไปเลยเป็นอาหารเลี้ยงตัวมันไปจนกระทั่งกลายมาเป็นกลบลูกคนเหมือนกันลูกที่พ่อแม่มอบทรัพย์สมบัติให้ยาวเป็นหางกบแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติเนยะไปจำนองจำนำํานะไปจำนองจำนําไปเล่นกินเหล้าเมายาเล่นการพานันสูบฝิน่นกินกัญชาอ่านะหรือไป เที่ยวในอบายยมุขต่างๆเอาทรัพสมบัตินั้ไปขายทีแรกก็เอาสร้อยไปเอาแหวนไปนาฬิกาไปอนยทรัพสมบัติในครัวเรือนหมดก็ค่อยๆเอาไอของเก่าในบ้านออกไปะเขาก็เอาเลือกสวนไร่นาอ่ค่อยๆเอาไปทีลนนิดละหน่อยนี่แหละเรียกว่าตัดทรัพสมบัติของพ่อแม่ไปเทีลนนิดละหน่อยลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าลูกกบลูกประเภทที่สองเขาเรียกว่าลูกลูกแกะคือลูกที่แกะพ่อแกะแม่ แกะทรัพย์สมบัติของพ่อแม่แงะทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่เอาไปเก็บไว้ไปฝังไวน้นี่เอาออกไปหมดนี่ออกไปหม ด, ออหมดรู้เหลือเกินว่าพ่อแม่ไว้ที่ไหนบางครั้งใส่อมสินไว้ก็ยังไปแงะไปแค่เอาออกจนหมดออุตสาหผูกติดไว้กับมือก็ยังแกะออกไปหมดอุตสาคล้องคอไว้ก็แกะออกไปอีกนี่เรียกว่าลูกแกะลูกประเภทที่สามเรียกว่าลูกเกอะ ไอ้ลูกลูกประเภทนี้คือเกาะพ่อเกาะแม่สูบเลือดพ่อสูบเลือดแม่เหมือนกับปลิงไอ้ปลิงมันก็เกาะคนเกาะวัวเกาะควายมันก็สูบเลือดวัวเลือดควายเลือดคนไปจนกระทั่งตายไอ้ลูกเหมือนกันเกาะพ่อแม่สูบเลือดพ่อแม่กินสูบทรัพย์สมบัติของพ่อแม่กินจนกระทั่งพ่อแม่ตายทนไม่ไหวนี่ลูกประเภทที่สี่เขาเรียกว่าลูกกัดลูกที่กัดพ่อกัดแม่ ทำร้ายพ่อแม่เถียงพ่อแม่นี่ลูกประเภทนี้นะเนี่ยเครียกว่าลูกกัดขอประทานโทษมันเหมือนกับลูกวัวลูกควายลูกสัตว์โตมาแล้วไม่รู้จักพ่อแม่กินนมพ่อแม่อาศัยบุญญาบุญมีอาศัยไออุ่นอกจากพ่อแม่แล้วก็ลืมมากัดพ่อกัดแม่เถียงพ่อเถียงแม่สร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้กับพ่อแม่ นี่เดียกเรียกลูกกัดลูกประเภทตีห้า เ, าเขาเรียกว่าลูกลูกกล้วยไอ้ลูกกล้วยคือลูกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ธรรมดาต้นกล้วยเวลามันออกลูกตกลูกตกเครือต้นมันก็ตายหรือไม่เจนนั้นเขาก็ต้องตัดมันทิ้งไปหรือเหมือนพวกไผ่ขุยมันออกดอกออกลูกแล้วต้นมันก็ตาย นไม่ออกต่อไปอีกแล้วหรือเหมือนกับต้นลาเนเวลามันออกลูกออกผลแล้วมันก็ตายออกทีเดียวแล้วก็ตายเลยถึงจะปล่อยไว้มันก็ไม่มีประโยชน์ก็มักจะตัดทิ้งไปในลูกประเภทนี้ก็เหมือนกันลูกคนประเภทนี้ก็คือลูกที่ทําร้ายพ่อแม่โดยประการต่างๆบางครั้งก็ไปเมาไม้มาอารวาดพ่อแม่ดาว่าไม่พอใจเอามีดมาแทงจะบ้างเอาปืนมายิงจะบ้าง บางครั้งก็ของเงินพ่อแม่ไปเล่นการพนั้นไปกินเหล้าเมายาพ่อแม่ไม่ให้ตัดเตือนไม่พอใจอา้าวพบพ่อแม่ถ้าตายเลยบ้างฆ่าพ่อแม่ถ้าตายโดยประการต่างๆนี่แหละคือลูกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนีลูกประเภทสุดท้ายลูกที่หกก็คือลูกแก้วธรรมดาลูกแก้วมันใสนะลูกแก้วมันใสไม่ได้หมายถึงว่าตื่นขึ้นเช้าก็แก้วพ่อก็แก้วนะึงแม่ก็แก้วลูกก็แก้ว ไอ้แก้วเล่าแก้วอย่างนั้นมันเป็นแก้วเล่าไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงลูกอย่างนั้นในลูกอย่างนี้หมายถึงว่าเป็นลูกแก้วที่ใสคือลูกแก้วที่ใสเน่ยดูแล้วมันก็สะอาดตาสะอาดใจลูกคนเหมือนกันเป็นลูกที่ว่านอนสอนง่ายว่าง่ายสอนง่ายมีกิาการเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่แล้วทำตามลูกประเภทนี้เลยตาพ่อแม่ก็สดใสใจก็เบิกบาน นะใจก็เบิกบานเป็นเหมือนกับลูกแก้วพ่อแม่จะไปทางไหนก็เดินแงนหน้าได้ใจสดชื่นเบิกบานไม่ต้องอายใครไม่เหมือนกับลูกห้าประเภทข้างตน้นตั้งแต่ลูกกบลูกแกะลูกเกาะลูกกัดลูกกล้วยไอ้ลูกห้าประเภทนี้พ่อแม่เดินไปไหนต้องก้มหน้าต้องคว่ำหน้าเพราะไม่อยากจะสู้หน้าใครละอายนะละอายแก่ใจนี่ ฉะนั้นก็จึงบอกว่าเราโดยทุกวันนี้เราจะฆ่าพ่อฆ่าแม่กันในทางอ้อมน่ในทางอ้อมเป็นการฆ่าอย่างทรมานอีกด้วยนฆ่าอย่างทรมานอีกด้วยฉะนั้นก็กล้าพูดได้เลยว่าเมื่อคนเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้แล้วทําไมจะฆ่าคนอื่นไม่ได้ฆ่าลูกฆ่าเมียก็ฆ่าได้แม้ที่สุดแม้แต่พระก็ฆ่าได้นี่ฉะนั้น ก็ฝากไว้สาหรับคนที่มีพ่อมีแม่คิดให้มากพ่อแม่เป็นผู้บังเกิดกล้าวให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราให้ชีวิตแก่เราที่เราได้มีชีวิตลืมตาอ้าปากมาได้ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้ ม, มรสรับรู้ในทางประสาททั้งห้าอย่างหกอย่างนี้ได้ก็เพราะอาศัยพ่อแม่ถ้าไม่ได้พ่อแม่เราไม่มีโอกาสได้มาเลื่มตาอ้าปากอยู่ในโลกฉะนั้น เมื่อเราเป็นลูกคนคือเป็นลูกที่ประเสริฐมีการศึกษาเล่าเรียนที่ดีแล้วเราจะต้องรู้จักพระคุณของท่านรู้จักตอบแทนท่านรู้จักเลี้ยงดูท่านจนกว่าชีวิตของท่านจะหาไม่ท่านเลี้ยงเรามาได้พ่อแม่คนเดียวเลี้ยงลูกเก้าคนสิบคนได้ลูกเก้าคนสิบคนกลับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้กลับไปทรมานท่านกลับไปต้องทาร้ายร่างกายท่านฉะนั้น ใครฆ่าพ่อฆ่าแม่คนนั้นก็ต้องได้รับกรรมอันหนักถือว่าเป็นอนันต์กรรมจะต้องให้ผลก่อนนะให้ผลก่อนอย่างที่สระบุรีเมื่อปีที่แล้วก็มีลูกได้ไปขอเงินพ่อแม่ไปดื่มสุราพ่อแม่ก็ตักเตือนไม่พอใจก็คว้ามีดดาบมาฟันจะตายผลที่สุดตัวเองก็ต้องถูกประหารชีวิตนี่กรรมมันทันตาทันตาอันนี้ก็มีเยอะนะมีเยอะ ที่อนุสาวรีย์ใช้สมรภูมินั้นก็เหมือนกันเอาเงินพ่อแม่ไปเล่นการพานันพ่อแม่ว่าไปซ้อมพ่อแม่อืผลที่สุดซ้อมเสร็จแล้วตัวเองก็ไปขึ้นรถพอดีรถชนกันแข้งขาหักพอดีนี่ไอ้ขาที่มันเตะพ่อเตะแม่มก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลเหมือนกันพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพระรชาชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารเพียงแต่ไปขังไว้แค่นั้นอขังไว้ให้ตายอยู่ในคุกในตาราง ตัวเองก็ต้องตกนรกชั้นโลหะปุมผีเป็นแสนแสนปีนี่แล้วก็ยังมีอีกเยอะเป็นตัวอย่างฉันนี่แหละจึงบอกว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ถือว่าเป็นกรรมอย่างหนักนะเป็นกรรมอย่างหนักอืมใครทําแล้วเราก็บาปมากเวรกรรมมากนี่ตกนรกทั้งเป็นแล้วก็จะทํามาค้าขายทํามาหากินหากเก็บอะไรไม่จเจริญรุ่รงเรือง ม, มาในข้อที่สามฆ่าพระอรหันต์อรหันต์ตะฆาตฆ่าพระอรหันต์ พระอาหารหันต์ก็คือเป็นผู้มีกายวาจาใจบริสุทธิ์ไม่มีการอาฆาตจองเวรกับใครๆเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งปวงเมื่อผู้ใดมีใจโหดร้ายถึงกับฆ่าพระอาหารหันต์ได้แล้วผู้นั้นจะไม่ฆ่าคนอื่นก็เห็นท่าจะไม่มีเพราะว่าพระอาหารหันต์นับถือว่าเป็นที่นับถือของประชาชนนะประชาชนฉะนั้นการที่ไปฆ่าพระอาหารหันต์นั้นย่อมจะได้รับอ่า การติชินนินทาแล้วจะถูกติเตียนว่าเป็นผู้ทําลายบุคคลที่ปวงชนของนับถือมากอปวงชนของนับถือก็มีเวรมีกรรมมากมีบาปมากมีภัยมากอมีภัยมากจะ ต, ต้องได้รับกรรมอย่างหนักคนขนาดฆ่าพระได้ก็ถึงคนอื่นก็ฆ่าได้ทุกอย่างสูงสุดเลย้วสูงสุดแล้วเพราะว่าพระนี้แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็อ่านับถือเคารพสการะอยู่แล้วอืถ้าหากว่า เราไปฆ่าท่านก็ถือว่าเท่ากับฆ่าสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศเขานับถือนะก็ถือว่ามีเวรมีภัยมากมีกรรมมากบาปมากนะประการที่สี่โลหิตุบาต ท, ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อในข้อนี้ยิ่งหนักใหญ่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยพระคุณสมบัติ เป็นศาสดาจารย์เอกของโลกเมื่อผู้ใดทำร้ายพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณเห็นปานนั้นก็เท่ากับว่าได้ประทุษร้ายต่อศาสดาของตนผู้ที่ประพฤติตนเห็นปานนี้ย่อมมีโทษมากเช่นเดียวกับการคิดขบฏททำร้ายพระเจ้าแผ่นดินของตนคนที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าก็เท่ากับว่าทำลายศาสนาทั้งหมดทั้งหมดเลยบาปมาก ดูยางพระเทวทัพสมรู้ร่วมคิดกับพระเจ้าชาติสตร์ให้พระเจ้าทัตร์ฆ่าพระราชฎไปด่าคือพระเจ้าพิ็นมิศาลและจะได้เป็นพระเจ้าเป็นดินส่วนตนเองก็จะปรองประชมพระศาสดาก็จะได้เป็นพระศาสดาเสียเองผลที่สุดก็ตัวเองก็ได้หาวิธีการต่างๆที่จะทําร้ายพระพุทธองค์ก็ทําไม่ได้นลอยช้างก่อนแล้วจะให้ช้างนั้นตัวตกมันวิ่งไป ทิมแทงพระพุทธองค์ให้ในายขมังธนูไปยิงพระองค์ อ, อะไรทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างแม้แต่พวกเดทีทฉต่างๆก็ให้คนไปกล่าวจ้วงจาดกลันแกล้งว่าพระองค์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดก็ไม่สามารถจะทำลายได้จนกระั้งที่สุดพระเทวทัตเกียดแคนมากใช้คนอื่นไม่ได้ตัวเองก็เลยต้องขึ้นไปบนเขาเกล่งเอาหินเพื่อจะให้ห็นนั้นทับพระพุทธองค์ทับพระพุทธองค์ ก็พอดีพระพุทธองค์ก็เลยถูกเพียงสะเก็ดหินนิดๆน่นนนอยๆที่ข้อพระบาททําพระโลหิตให้ข่อขึ้นผลแค่นี้แหละเวรแค่นี้บาปแค่นี้ทําให้พระเทวทัตนั้นต้องถูกธรณีสุขนี่ต้องถูกธรณีสูขนางจินเจมานาวิกากล่าวช่วงจ่าว่าพระพุทธองค์นั้นได้มีความอภิรม์สมสู่กันจนกระทั่งนางตั้งท้องตั้งครรภขึ้นต่อหน้าประชาชนเป็นจํานวนมาก ผนที่สุดเทวดเดือดร้อนถึงเทวนาต้องจำแรงแลงเพศมาเป็นหนูนะกัดสายเชือกที่คาดหมอนไม้เอาไว้ที่ท้องนั้นให้พลัดตกลงมาปรากฏว่านางอับอายขายหน้าออกวิ่งหนีไปผนที่สุดแผดดินก็แยกรับนางไปถูกแผดดินสูบอีกสุปาปพุทธเป็นพ่อของอพระนางพิมพา ซึ่งได้ปิดรั้วล้อมไม่ยอมให้พระพุทธองค์อพระพุทธเจ้าออกมินทบาทก็ถูกแผ่นดินสูบนะถูกแผ่นดินสูบนี่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะใครก็แล้วแต่ที่คิดทําร้ายต่อพระพุทธองคนะ์เพียงแต่ว่าทําพระโลหิตให้ห่อหรือกล่าวจ้วงจับนั้นก็มีเวรมีภัยมากนะมีเวรมีภัยมากถือว่าเป็นกรรมที่หนักนะนะเป็นกรรมที่หนักนะฉะนั้นอันนี้แหละเรา ควรพินิษ์พิจารณากันให้มากนะพิจารณากันให้มากมาในข้อที่ห้าในข้อที่ห้าก็คือสังฆเพศยังสงให้แตกจากกันนะยังสงให้แตกจากกันอันนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นข้อห้ามสำหรับพิสุ ว่าพิสุทําลายสงให้แตกแยกจากกันเป็นพวกเป็นเหล่าเพราะมีความรังเกียจในความประพฤติของกันและกันเป็นความผิดอันหนักเช่นเดียวกับคนยุแย่ทำความแตกสามัคคีคนในชาติในศาสนาของตนหรือจะมีผู้หนึ่งผู้ใดก็แล้วแต่ที่มากล่าวยุโยงส่งเสริมทําให้สงเขาแตกกันผู้นั้นถือว่าผู้มีเวรมากมีภัยมากมีกรรมหนักมีกรรมหนัก เพราะว่าพระสงฆ์นี่ก็ถือว่าเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไปของแต่ละศาสนาก็ต้องมีพระอะเป็นที่พึ่งทางจิตใจฉะนั้นการที่เราไปยุยงให้สงฆ์ต้องแตกกันเข้าใจกันผิดก็ถือว่าทําลายจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่อีกด้วยก็ถือว่ามีเวรมีภัยมากนะมีเวรมีภัยมากแทนที่ว่าท่านจะมีความสามัคคีกันในการที่จะศึกษาเล่าเรียนพระประยัดปฏิบัติปฏิเว้ ทําประโยชน์เกื้อกูลให้เกิดขึ้นแก่ตนเองสังคมประเทศชาติแต่เรากลับไปทําลายไปทําลายให้เขาเข้าใจผิดอาจจะเกิดการทะเละาะเบาะแวงกันะทะเลาะเบาแวงกันได้ะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักให้ดีว่าถ้าเราไปคิดทําลายหรือใส่ร้ายป้ายสีก็จะทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ตัวเราและได้รับคำอันหนักยิ่งกว่ากรคำใดๆทั้งสิ้น นะการใดใดทั้งสิ้นมาในข้อที่หกนะในข้อที่หกก็คือว่าอัญญสัตว์ทุนะทเทศนะสัตวทุนเทศคือถือศาสนาอื่นการถือศาสนาอื่นการถือศาสนาอื่นหมายเอาพิสูจนผู้ปลีกตัวไปเข้ารีดถือศาสดาเดิมของตนซึ่งต้องห้ามไม่ได้รับเข้าอุปสมบทในศาสนาอีก เป็นผู้แตกจากคณะของตนไปเข้าคณะอื่นแต่ไม่ได้ทำลายคณะเดิมของตนเหมือนพิสุผู้ทำสังกเภศคือทำสงให้แตกกันคือหมายความว่าการถือาศาสนาอะไรนั้นเราต้องเคารพเทิดทูนนะต้องเคารพเทิดทูนแต่ว่าเรา ถือศาสนานี้เราอยู่ในศาสนานี้แต่ว่าไปเข้าเรียดไปเข้าถือศาสนาอื่นเอายกคนอื่นมาเหนือเหนือที่ตนนับถืออ่าหรือว่าเราอยู่ในประเทศนี้แต่ว่าไปยกย่องอีกประเทศหนึ่งนะยกย่องพระเจ้าเป็นดินประมาราชามากษัตริย์เอของประเทศนั้นดีของเราไม่ดีเนะอันนี้ก็เป็นอันตรายลําบากอ่านะจะเรียกว่าเท่ากับว่าทําลายชนส่วนมากให้แตกจากกันหรือทําถือว่าถ้าเป็นพิสูจนก็ถือว่า ทำสังกเกตนะทำความแตกแยกในหมู่สงฆ์ถือว่าเป็นเวรมีเวรมีกรรมมากนะเป็นกรรมอันหนักนะเป็นกรรมอันหนักอันนี้เราไม่ควรจะทำนะไม่ควรจะทาในอภิธานทั้งหกนีนะ้ทั้งหกที่กล่าวมาเพียงย่อๆเป็นแนวทางเป็นกรรมหนักนะนะเป็นกรรมหนักแต่ในอภิธานสามข้อข้างต้น สามข้อข้างต้นก็คือมาตุคาตฆามารดาปิตุคาตฆาบิดาอารหันตคาตฆาพระอรหันทร์สามข้อข้างต้นเป็นกำหนักของคนทั่วไปเป็นกำหนักของคนทั่วไปข้อสี่เป็นกำหนักของพุทธศาสนิกชนนทั้งกรหัสถและบรรพชิตทั้งกรหัสถและบรรพชิต ข้อสี่ก็คือโลหิตุบาทนะโลหิตุบาทคือทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อบนะอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักของของคนทั่วไปทั้งคารืหัดและบันปะชิตนะทั้งบรรปชิตแล้วข้อที่ห้าและข้อที่หกข้อที่ห้าก็คือสังฆเภทยังสงให้แตกจากกันข้อที่หกก็คืออัญญะสะทตตุเทศ ถือศาสนาอื่นหรือศาสนาอื่นในสองข้อนี้เป็นกรรมหนักของพิสุในพุทธศาสนานเฉพาะพิสุในพระพุทธศาสนาฉะนั้นอภิฐานทั้งหกนี้แต่ละอย่างก็จัดเป็นฐานะอันหนักนฐานะอันหนักพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าใครได้อทําผิดต่ออภิฐานทั้งหกนี่แล้วก็ย่อมจะได้รับกรรมหนักคือเป็นอนันตรกรรมนะ เป็นกรรมมันหาที่สุดอะไรไม่ได้อีกแล้วเป็นบาปมาก อ, มอันนั้นนยกรรมนันแปลว่ากรรมที่ให้ผลในลำดับต่อไปอเป็นครุ ก, กรร ม, มเป็นกรรมฝ่ายหนักฝ่ายบาปฝ่ายบาปฉะนั้นอันนี้แหละก็ขอให้บรรดานักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้โปรดทำความเข้าใจให้ดีว่าในอวิธฐานหกนี้แต่ละอย่างจัดเป็นฐานะอันหนักผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเพียงพระโสดาบันก็ย่อมไม่ทำเป็นอันขาดนะไม่ทาเป็นอันขาดทีนี้ข้อที่จะน่ารู้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือว่ายังกับข้อที่บอกว่าอันอัญญสัตวเทสถือศาสดาอื่นหรือศาสนาอื่นนั้น หมายเอาพิสุจผู้เข้าไปรีบเดดถีทั้งยังเป็นพิสุที่เรียกว่ า, าติดยัดติดยัปักกันตโกหมายถึงว่าที่ห้ามอุปสมบทพิสูจเห็นปานนั้น เ, เป็นผู้พิสูุที่ทำอย่างนั้นเป็นผู้แตกจากค ณ, ณะของตนไปเข้าคณะอื่นแต่ไม่ได้ทำลายคณะเดิมของตนเหมือนพิสุผู้ทำสังกเพเอ เป็นเหมือนกับคนโจดเจ้าเรียกว่าพักดีต่อไทยต่างด้าวเท้าต่างแดนพักดีต่อไทยต่างด้าวเท้าต่างแดนนี่ก็ถือว่าเป็นการทําลายการทาลายชาติศาสนาของตนทําลายชาติศาสนาของตนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ควรฉะนั้นถ้าจะมีคําถามว่ากรรมทั้งหก มีมาตุคาตเป็นต้นแล้วก็มีอัญญสัตวุเทศเป็นที่สุดฉะนั้นจึงได้ชื่อพิฐานพระยะบุคคลทํากรรมนี้หรือไม่นะและเคยมีมีปรากฏว่าพระยะบุคคลทํากรรมนี้บ้างไหมแล้วก็บอกว่าเป็นกรรมอันหนักนะกรรมอันหนักถ้าหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดได้ประพฤติเข้าก็จะได้รับอาบาปนะจะได้รับบาปทั้งฝ่ายชั่ว เป็นครุ ก, กรรมเป็นครุ ก, กรรมส่วนพระยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันนั้นไม่ทำกรรมนี้ย่อมไม่ทากรรมนี้ถ้าจะมีคำถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงจัดมาตูกคาตและไปถูกคาตเป็นอภิษฐานเล่าอธิบายอันนี้เราก็แก้ว่าเพราะบุคคลทั้งสองเจ้าพวกนี้เป็นผู้มีบ า, าราคุณแก่บุตรธิดาเหลือที่จะพนน า, นา อาบุตรธิดาจะเกิดมีได้ก็ด้วยอาศัยท่านทั้งสองอย่างนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านก็มีได้ดูดายเอาเป็นธุระในการเลี้ยงดูไม่ปล่อยปลดละเลยไม่ทิ้งเสียในคราวที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากท่านเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ท่านจึงจัดเป็นอภิฐานฐานะอันหนักของบุตรและธิดาจําพวกหนึ่งเป็นฐานะอันหนักของบุตรและธิดาจําพวกหนึ่ง และอีกประการหนึ่งผู้มีใจโหดร้ายฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของตนได้แล้วอันจะไม่ฆ่าผู้อื่นที่ตนไม่พอใจเห็นจะไม่มีนี่จึงไม่คิดว่าเป็นกรรมหนักหรือถ้าจะถามว่าการฆ่าพระอรหันต์ท่านจัดเป็นฐานะอันหนักก็สมควรแล้วแต่การถือศาสดาอื่นชนไหนท่านจึงจัดเป็นฐานะอันหนักด้วยเล่าอธิบายอันนี้เราก็แก้ว่า เพราะว่าพิษุผู้ไปถือศาสนาอื่นเห็นป่นนั้นเป็นผู้แตกจากคณะของตนแล้วคือไม่พอใจในคณะของตนมีการเห็นผิดกันขัดแย้งกันในคณะของตนไปเข้าถืออยู่ในศาสนาอื่นจึงไม่ได้ทําลายสงฆ์ถึงไม่ได้ทําลายสงฆ์ให้แตกจากกันก็จริงแต่เป็นประดุจคนโจดเจ้าที่เรียกกันว่าพักดีต่อไทยต่างด้าวเท้าต่างแดนเออ ออยู่ในเมืองไทยแต่ไปะยกย่งองเอกษัตริย์เมืองอื่นเอประเทศอื่นอะไรทำนองนี้ะไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้อาจจะยกโทษของาศาสดาที่ตนเคยนับถือมาก่อนว่าเป็นผู้ไม่สมควรแก่ทักษิณาทานหรือเป็นผู้ไม่สมควรแก่ที่จะสั ก, การะ่ะาคารวะบูชาของชาวโลกะทําให้ชนเหล่าอื่นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสยอยู่แล้วอเสื่อมความเชื่อความเลื่อมใสอ่า อาจจะทําให้แบ่งกันเป็นโคกเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นพักเป็นพวกจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยุโยงส่งเสริมหรือว่าลบหลู่บุญคุณของท่านก็ว่าได้นะก็ว่าได้ฉะนั้นนี่แหละในอภิฐานทั้งหกมาที่ได้บรรยายก็คิดว่าพอเป็นแนวทางทั้งก็ยังตั้งเป็นแบบคำถามแล้วก็แบบตอบให้กับนักเรียนนักศึกษานาไปประพฤติปฏิบัติวินิจฉัยก็จะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ เกี่ยวกับเรื่องอภิฐานมาตุคาต์ฆ่ามันดาปิตุคาต์ฆ่าปิตาอรหันตาา์กาต์ฆ่าพระอรหันต์โลยิตุบา ท, ทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงอย่างพระโลหิตให้ห่อขึ้นสังกเภทยังส่งให้แตกจากกันอัญญสัจทุเทศหรือาศาสดาอื่นก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร วันนี้จะพูดในหมวดที่หกว่าในเรื่องจริตหกคือหนึ่งราคะจริตมีราคะเป็นปกติสองโทสะจริตมีโทสะเป็นปกติสามโมหจริตมีโมหะเป็นปกติสี่วิตกจริตมีวิตกเป็นปกติห้าสัทธาจริตมีสัทธาเป็นปกติหกพุทธจริต มีความรู้เป็นปกติประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาทําความเข้าใจกับคําว่าจริตเสียก่อนคําว่าจริแตแปลว่าความประพฤติหรือกิยาอาการที่แสดงออกครับอยู่ทุกวี่ทุกวันอืที่เป็นปกติของคนเราโดยมากในที่นี้ท่านจําแนกออกเป็นหกอย่าง คืนหนึ่งราคะจริตได้แก่คนที่มีปกติรักสวยรักงามมีความกำหนัดกินดีในกามคุณติดอกติดใจอยู่ในอารมณ์ที่รักที่ชอบจริตชนิดนี้พึงแก้ด้วยกายคตาสติหรืออสุภกรรมฐานเพื่อทำให้ปราศจากรักคะความกำหนัดโดยเห็นว่าร่างกายของตนและบุคคลอื่นเป็นของไม่สวยไม่งาม อนความรักความเย็นดีเสียได้คนมีราคาจริตถ้าหากว่าโดยอ่อนออนแล้วก็เป็นคนที่รักสวยรักงามรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสะสวยงดงามที่อยู่ที่หลับนอนที่กินทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยสะสวยงดงามสำหรับคนที่มีราคาจริต และยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีราคะจริตนี้จะทำอะไรก็รู้สึกว่าจะติดเกี่ยวกับเรื่องระเบียบเรื่องวินัยนะเรื่องระเบียบเรื่องวินัยถือว่าถ้าหากว่าไปอยู่ในที่ไม่มีระเบียบวินัยหรือไม่มีความเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้อยู่ไม่ได้นะมีความอึดอัดใจมีความฟุ้งซ่า น, นํำคาญใจะฉะนั้นคนที่มีราคะจริตจึงรักสวยรักงามมากนะ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่มีรักขาจริตมีความกำหนับในกามคุณห้าคือในรูปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสก็จะทำให้เกิดตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสถือติดรูปก็คือว่าเห็นว่ารูปนั้นจสวยงดงามอยากได้เสียงเพราะอยากได้ รถก็อยากได้กลิ่นก็อยากได้การสัมผัสอย่างนั้นก็อยากได้เมื่ออยากได้ก็แสวงหาเมื่อแสวงหาไม่ได้ด้วยสุจริตก็หาได้โดยทุจริตหรืออาจจะทำโดวยวิธีการอด้วยวิธีการที่เรียกว่าคมคูหรือประพฤตินอกรีบินอกรอยผิดศีลผิดธรรมก็ได้ยิ่งไปกว่านั้น คนที่มีราคะจริตนี้ถ้าหากว่าไม่ชอบอะไรนะไม่ชอบในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็คิดทําลายไม่อยากพบไม่อยากประสบนะัานฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่มีราคะจริตนี้จึงต้องแก้ด้วยการพิจารณากายยกคตาสติคือมีสติพิจารณาในกายให้เห็นว่าภายในกายของเรานี้เป็นของโศโครกเป็นของเปื่อยเน่านะ ตังแต่ดีเสเลตน้องเลือดทุกสิ่งทุกอย่างนะอาการถึงเหล่านี้เป็นของเปื่อยเน่าเป็นของเหม็นเพราะว่าร่างกายนี้เป็นของเป็นผาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดถ้าหากว่าใครได้เคยไปดูเขาผ่าตัดนะผ่าตัดตามโรงพยาบาลจะเห็นว่าคนเราก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะเหมือนหมูหรือเหมือนกับสัตว์อะไรก็แล้วแต่อนะคนเราพอเขาผ่าตัดแล้วเขาก็ จะดูตับไตไสพุงเนี่ยเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดแล้วก็เหม็นขาวคะคลุ้งไปหมดเลยไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรที่น่ารักน่าใครน่าหวงแหนนะไม่มีอะไรที่เราจะต้องมาร้องว่าของเราเนาว่าเป็นเราว่าเป็นเขาว่าของเราว่าของเขานี่นนถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เราน่้นคลายความกำนักในการมาคุณห้าได้ไง หรือมิจฉาเน้นก็ให้เราเจริญอสุภกรรมาฐานคือให้พิจารณาร่างกายของคนเราให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามดูสิ่งในภายนอกให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นของโสโครกถ้าหากว่าเราไม่มันรักษามันก็จะเหม็นสาบหรือว่าสกปรกลอกเรืองรงังเป็นบบาเกิดแห่งโรคต่างๆได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นไม่ติด ตกติดใจในอารมณ์ที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางเล้นทางกายทางใจค่อจะทําให้เรานั้นมีแต่ความพอดีหรือว่าความวางเฉยโดยพิจารณาว่ารูปเสียงเป่นรถหรือการสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลูกก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเป็นก็สักแต่ว่ากลิน่นรถก็สักแต่ว่ารถการสัมผัสถูกต้องก็สักแต่ว่าสัมผัส ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแนวเขาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จรังยั่งยืนเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้เราคลายจากความกำหนัดคลายจากความยิน ด, ดีในการมคุณห้าได้มาในข้อสองคือโทสะจริตในแก่บุคคลผู้ประพฤติมีปกติหงุดหงิดโกรธง่ายมีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากระทบเขานิดนิดหน่อยหน่อยก็โกรธแครง ข, ขงเคียด จริตชนิดนี้ถ้าปล่อยไว้ได้นานอาจกลายเป็นพยาบาทจองล้างจองผนันผู้อื่นได้ควรจะแก้โดยการเจริญพรมวิหารทั้งสี่ประการทำใจให้รักใคร่และคิดสงสารผู้อื่นเพอยินดีด้วยในเวลาที่ผู้อื่นได้ดีและตั้งจิตไว้เป็นกลางกลางในเมื่อเห็นเหตุไม่สมควรกับการพิจารณาวันกนสิสี่ประการเพื่อทาใจให้แน่วแน่ก็จะเกิดความสุขความสบาย คนที่มีโทสะจริตเป็นเจ้าเรือนผู้นั้นมักจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะโทสะนี้เปรียบเสมือนกับไฟไฟมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ไหม้ที่นั่นจริงอยู่แม้ว่าไฟในบางอย่างก็ทําประโยชน์ให้แต่มันก็มีโทษเหมือนกันสิ่งใดมันมีโทษมหารก็มี ม, มีคุณมีคุณทหารก็มีโทษอนันต์อีกเหมือนกันหรือว่ามีคุณอนันต์ก็มีโทษมหารอีกเหมือนกัน ฉะนั้นใจคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าร้อนแล้วมันก็ร้อนกระรุ่มเร้อนรุ่มกลุ่มใจเกยะลุ่มใจเอใครทำผิดอะไรไม่ถูกเห็นอะไรไม่ถูกตาหน่อยก็รู้สึกไม่ชอบใจฟังเสียงอะไรไม่เ อ, อไม่ถูกคูนิดหน่อยก็ไม่ชอบใจเกลื่นเหมือนกันกระทบจมูกแล้วก็ถ้าไม่ตัวเองไม่ปรารถนาก็ไม่ชอบใจรถก็เหมือนกันการสัมผัสเหมือนกัน คือจะเกิดการอารมณ์หงุดหงิดขึ้น ท, ทันทีกลายเป็นพยาบาทจองล้านจองผลาญกันหาทางแก้แค้นหรือแก้อ่ตัวกันอยู่ตลอดเวลาก็ผลที่สุดก็อาจจะทําให้ร่างกายหรืออาจจะเกิดการทุกขพลภาพมีร่างกายวิกลวิการหรือถึงที่สุดก็อาจจะตายก็ได้ฉะนั้นคนที่มีโทสะจริตนี้ถ้าหากว่า เราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจแน่นอนที่สุดเคลื่อนปล่อยไว้ก็จะทําให้เรานั้นกลายเป็นโรคประสาทไปได้นะปวดศรีรษะไปได้หรืออาจจะเป็นโรคหัวใจไปก็ได้นะแล้วคนมีโทสะเจริญนี้ทําอะไรก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเรียบร้อยนะไม่ค่อยเรียบร้อยนะตั้งแต่การกินอยู่หลับนอนรู้สึกว่าจะยุ่งยุ่งนะที่หลับที่นอนจะยุ่งยุ่งทำอะไรก็ไวไวเสร็จไวอนะแต่ว่าไม่ค่อยมีระเบียบไม่ค่อยมีความเรียบร้อยนะ นี่เพราะว่าเป็นคนมีโทสะเจริญฉะนั้นคนที่มีโทสะเจริญต้องแก้โดยการจเจริญพรหมวิหารคือมีเมตตาปรารถนาดีปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขปรารถนาที่อที่จะมีความรักกับคนทุกคนนะไม่มีการจองเวรจองร้างจองผลานกันปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ไม่ให้มีไม่ได้รับความทุกข์ให้มีแต่ความสุขไทยเดียวนะ ปรารถนาที่จะให้คุณทุกคนนั้นได้ดีเหมือนกันหมดนนี่คือคนมีโทศาสร์เ็จนี้จะต้องแก้ด้วยพรมวิหารยิ่งไปกว่านั้นก็คือจะต้องมีขันติคือความอดทนนอดทนอดกลั้ น, นยาปล่อยให้กิเลสมันครอบงําจิตใจนต้องเอาเหตุผลเหนือเหนืออารมณ์ยาว อ, อารมณ์เหนือเหตุผลถ้าเราพิจารณาแก้ไขอย่างนี้ได้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ แต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนที่มีโทสะจริญนี้ถ้าหากว่าได้จเจริญกระสินสีคือวันนกสระสินปลนะูกสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างนี้ก็จะทำใจให้แน่วแน่สงบจากจิตที่โกรธง่ายหรือมีอารมณ์ขึงเครียดนะึงเครียดมีอารมณ์หงุดหงิดได้นะข้อสาม โมหะจริตได้แก่บุคคลผู้มีความเข่าหลงงมงายเป็นปกติไม่สามารถจะยังทราบเหตุผลต้นปลายในสิ่งทั้งปวงได้โดยแน่ชัดจริตชนิดนี้พึงแก้โดยการเรียนการถามหรือการฟังตามการลัสมัยตลอดจนการอยู่กับครูเพื่อศึกษาหาความรู้อันจะเป็นเหตุให้หายเขาและควรเจริญอาณาปานสติธรรมฐาน พิจารณาลมหายใจเข้าออกเพื่อจิตจะได้แน่วแน่หายจากความหลงคนมีโมหะจริตโมหะตัวนี้คือตัวอวิชชานะตัวโง่งมงายไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้เหตุแห่งความเจริญไม่รู้เหตุแห่งความเสือ่อมนี่ไม่รู้ว่าผลนี้จะนามาดไม่รู้ว่าผลนี้มาจาก เ, เหตุนี้ไม่รู้ว่า มาจากเขตแห่งความเสื่อมไม่รู้ว่าผลอันนี้มาจากเขตแห่งความเจริญอืม응ฉะนั้นตัวโมหานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากร้ายแรงมากคือโมหานี้เป็นตัวที่สนับสนุ majority, นเ hmm? มื mm ่อเมื่อเวลาคนเรามีราคะจรดิตไอ้โมหะจรดิตก็ตามมามีโทสะจริบโมหะจริบก็ตามมาหลงงมงายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในตัวโมหานี้ถือว่าเป็นตัวมืดตัวบอดอืตัวมืดตัวบอดอืมฉะนั้น อาการที่เราจะแก้แก้ตัวโมหะชดิตก็คือว่าจะต้องเป็นคนเรียนมากๆนเรียนมากๆฟังมากๆากไตถามท่านผู้รู้มากมากนี่อันนี้จะแก้ได้เพราะในทางพระพุทธศาสนานก็ถือว่าปัญญาย่อมเกิดโดยหลักใหญ่ๆสามประการคือหนึ่งสุตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง คนเราถ้าได้ฟังมากๆก็ทําให้ปัญญาเกิดได้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมโปรดบรรดาสาวกและเร า, าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจํานวนมากก็ด้วยการฟังสองกินตรามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดนักปราดของโลกเป็นเป็นนักคิดนะเป็นยอดนักคิดนักคิดในการสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มพวกนักปราชญ์ต่างๆนักปราชญ์นักวิทย า, าศาสตร์นักปรัชญานักประวัติศาสตร์หรือว่านักวันคดีนักภูมิศาสตร์อะไรก็แล้วแต่พวกดาราศาสตร์โทรศาสตร์นั้จะเป็นนักคิดทั้งนั้นแต่ว่าเขาคิดในทางที่ดีที่งามคิดในทางที่เจริญอันคิดอย่างนี้แหละก็จะทำให้ให้เรานั้นเกิดสติปัญญาเกิดสติปัญญา และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยด้วยการทำสมาธิก็ดีด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนาก็ดี<ม>เพื่อจะทำให้จิตแน่วแน่มั่นคง<ม>เพื่ อ, อยังรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงอของสังขารทั้งมีใจครองและไม่มีใจครองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรั ง, ย, งยั่งยืนนี่เป็นทางที่จะให้เกิดปัญญา เมื่อปัญญาเกิดแล้วก็สามารถกำจัดความมืดตัวโมหะที่ห่อหุ้มจิตใจของเราไว้ได้ทำให้เราเกิดความสว่างสวรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวธรรมไม่หลอกไม่หลงฉะนั้นจึงบอกว่าคนมีโมหะจริตนั้นจะต้องแก้โดยการเรียนศึกษามากๆถามมากๆฟังมากๆก็จะหายโง่หายเข่าได้ ห, หรือด้วยการเจริญอาณาปานสติกรมฐานด้วยการพิจารณาลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้จิตใจแน่วแน่โดยมีสติรู้เท่าทันต่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวนี่รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกรู้อยู่ตลอดเวลา หรือตั้งแต่ลมหายใจกระทบตรงปลายจมูกนะกระทบตรงริมฝีปากนะรู้อยู่ตลอดเวลาเอาสติเข้าไปกำหนดอย่างนี้ก็จะทำให้ปัญญาเราเกิดขึ้นได้เราก็จะมีแต่ความเจริญนะมีแต่ความสุขหายจากความโง่เขลาเบาปัญญาประการที่สี่วิตักกจริตในแก่บุคคลผู้มีปกตินึกพลาดนะพงสรงล้ า, นะาคานใจไปในะอารมณ์ต่าง อันนี้ก็เพิงแก้ด้วยการสะกดอารมณ์ไว้นะคือคนที่มีวิตกจริญนี่เป็นคนคิดมากนคิดมากาย้อนไป น, นิดหนึ่งคนที่มีโมหะจริตพวกนี้ก็คือว่าอิริยบทนั้นจะบางเพยเราจะเห็นว่าเชื่องช้านะเสื่องซึมนะเป็นคนเสื่องซึมบางเพยดูไม่ออกแต่ว่าเป็นคนฉลาดก็ไม่ใช่แึ่ว่าเป็นคนโง่ก็ไม่เชิงน ะ, น ะ, นะคนคนมีโมหะจริญครอบงาเนี่ กิยาการที่เดินเดิมทำพูดคิดรู้สึกว่าเชื่องช้าไปหมดหรือบางทีถ้าไม่เชื่องช้าก็รู้สึกว่าทาไม่ค่อยถูกเนีการกินอยู่หลับนอนพวกนี้ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยมีระเบียบนะสกปรปล ก, ลกรวกวุงรางโน้ ม, มน้ามน่ไม่เรียบร้อยส่วนมิตั ก, กัจจเรศก็คือคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านํนำคาญใจในอารมณ์ต่างๆคือพวกนี้คิดมากนะคิดมาก คิดคิดจนปวดหัวคิดจนฟุ้งซ่า น, นาเมื่อความคิดฟุ้งซ่านในความคิดฟุ้งซ่านมันก็แสไปทั่วหมดในจิตใจก็ปิดบงังทำให้ปัญญาเราไม่เกิดเหมือนกับาตามท้องถนนที่มันมีฝุ่นฟุ้งไปหมดเลยมันฟุ้งไปหมดมันก็กลบเตื่อนทำให้เรามองไม่เห็นหนทางอย่างแจ้งครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการาขับรถขับเรือหรือว่า เอการใช้ถนนได้อืในเรื่องอารมณ์ของคนเราเหมือนกันถ้าก็เกิดอารมณ์สูงสั้นมันก็แสบไปทั่วหมดน่ะสูงสั้นรำคาญใจอันนี้แหละทําให้เรานั้นเกิดความกังวลใจน่ะตัดสินใจไม่ได้น่ะตัดสินใจไม่ได้เกิดความลังเลสงสัยเป็นอย่างมากคนที่มีความวิตกน่ะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองฉะนั้นพวกนี้จะต้อง ต้องเพ่งกสิณหรือจเจริญอาณาปานสติกรรมฐานเป็นอารมณ์จนจะแก้ได้การเพ่งกสิณก็คือตั้งแต่การพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะดินน้ำไฟลมหรือเพ่งกสิณเพ่งอวันนักกสิณสุขสีต่างๆสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีขาวอนะหรืออากาศหรือความอาหรือแสงสว่างนะอันนี้ก็จะช่วยได้หรือว่าจเจริญอาณาปานสติกับหนดลมหายใจเข้าออกนะ อย่างนี้ก็จะช่วยให้เราดันหายจากความกลัดกลุ่มสงใจหรือจากการทุ้มท่านลำคาญใจจากการวิตกกำมวลต่างๆได้นะนี่เป็นเรื่องของวิตกจริตมาในข้อที่ห้าศรัทธาเจริญได้แก่บุคคลผู้มีปกติเชื่อง่ายเมื่อได้ยินได้ฟังใครพูดอะไรหรือแนะนำอะไรก็เชื่อเสียทั้งนั้นโดยที่ตนเองยังไม่ได้ตริตรองให้รู้แจ้งเห็นจริงก่อนจริชนิดนี้พึงแก้ด้วย กระถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเรื่มใสเช่นกล่าวพรรณนาถึงคุณของพระพุทธพระเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าตลอดจนพรรณนาถึงคุณของศีลคุณของทานคุณของเทวดานี่เป็นเรื่องของคนที่มีศรัทธาจริตคนมีศรัทธาจริตนี้จะทำให้มีความทุกข์มากเพราะเป็นคนเชื่อง่ายโดยขาดปัญญา นะขาดปัญญากลายเป็นกลายเป็นศรัทธาที่มีโมหะเจือปนหรือเรียกว่าเจรศะรัทธาศรัทธาที่วันไหวนะใครมาพูดอะไรว่าดีก็ดีตามใครบอกอะไรไม่ดีก็ไม่ดีตามนี่มักจะเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์อยู่ร่ำไปถูกเขาหลอกบ้างบางทีรับปากไว้กับเขาแล้วก็ทาให้ไม่ได้ ไอนะ้ตอนเขาพูดก็นึกว่าทำได้รับเขาไปพ่อยๆนะขาดเหตุขาดผลแต่พออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เขาไม่ได้นะหรือบางอย่างเชื่อแล้วก็ทำให้มาประพฤติปฏิบัติทิ่ผินะไอ้ของบางอย่างนี่มันเหมาะกับคนคนหนึ่งแต่ไม่เหมาะกับคนอีกหลายๆคนนะแล้วบางอย่างก็คนนี้เอาไปใช้ได้แต่ว่าอีกคนเอาไปใช้ไม่ไม่ถูกกับการล้วเท่าก็เสียได้ นะฉะนั้นนี่แหละเรื่องศรัทธาเจติตนิถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราจะต้องเชื่อด้วยเหตุด้วยผลต้องมีปัญญากากับนะต้องมีปัญญากากับถ้าว่าขาดปัญญาแล้วจะทำให้เราเสียชื่อเสียงได้นะเสียชื่อเสียงได้และการที่เราได้ยินได้ฟังอะไรได้เห็นอะไรนั้นเราจะต้องไตรตรองไคร่ครวนให้ทองแท้เสียก่อนคิดเสียก่อนนะคิดถึงผลได้ผลเสียนะ คิดถึงเหตุถึงผลข้อดีข้อเสียอคิดอย่างนี้แล้วก็จะทําให้เรานั้นเกิดปัญญาขึ้นได้เกิดปัญญาขึ้นได้ฉะนั้นอคนที่มีศรัทธาเจดิตนี้จะต้องแก้อ่าแก้ด้วยการอาเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรือด้วยการเนรึกนึกถึงคุณของศีลคุณของทานที่ตนได้ให้แนะคุณของเทวดาที่ปกปักรักษา โดยผู้มีประคุณก็จะทําให้ให้เรานั้นมีปัญญานะไม่งมงายได้นะไม่เชื่อโดยงมงายเชื่อด้วยเหตุด้วยผลเชื่อด้วยปัญญาก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมาในข้อที่หกพุทธที่จริตได้แก่บุคคลผู้มีปกติใช้ความคิดมากยาณจริตก็เรียกจริตชนิดนี้พึงแก้โดยการแนะนําให้ใช้ความคิดแต่ในทางที่ชอบเช่น คำ น, นึงถึงพระไตรลักษณ์และเจริญกรรมฐานอีกสี่ประการคือมรณาสติอุปมานุสติอาหาระปฏิกูลสนอาหารับปฏิกูลสาญญาจตุธาตุวัฏฐานคือหมายความว่าคนที่มีพุทธิจดิตนี้เป็นคนที่มีปกติใช้ความคิดมากนะรู้คือทำในเรียนรู้ได้เร็วนะเรียนรู้ได้เร็วนะเรียกว่า พูดอะนี่เรียนรู้ได้เร็วแต่ว่าเป็นคนคิดมากอีกเหมือนกันนะคิดมากยาเจริญก็เรียกนะเจริญชนิดนี้เราจะต้องแก้แก้โดยการนึกถึงพระใจรักคือให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนที่มีพุทธเจริญนั้นเป็นคนที่บางทีก็เขาเรียกว่าติดอุดมการ์นะกินอุดมการ์มากเกินไปยึดมั่นถือมั่นในความรู้ของตัวเองมากเกินไปนะ โดยที่นึกว่ามันจะต้องไม่เป็นไปในทางที่เสียฉะนั้นเราจะต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่แน่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะสบายใจถึงเวลาข่าวผิดพลาดอะไรมาแล้วเราก็ไม่ทกไม่เดือดร้อนอืหรือไม่งั้นก็ให้เราได้เจริญมโนสตินึกถึงความตายและลดนึกถึงความตายว่าเราทุกคนมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความตายไปได้ ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็สบายใจนะจะทาให้ใจของเรานั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากนะทำให้ไม่คิดมากหรือก็คิดแต่น้อยแต่ว่าคิดไปในทางที่ดีที่กลัวในทางที่ถูกในทางที่ชอบหรืออุปสมานุสตินะคือให้เรานึกคิดพิจารณาในสิ่งที่ที่จะทาให้เกิดสติปัญญานะใ้ทาให้เกิดสติปัญญา นึกถึงความรู้หรือพระนโนนึกถึงมรรคนึกถึงผลนึกถึงบิดพานจนกระทั่งที่สุดก็ให้เรานึกถึงอาหาราที่เรารับประทานเข้าไปว่าเป็นเปนของปฏิกูลปฏิกูลโดยกําเนิดปฏิกูลโดยการที่เรานํามาปรุงเป็นอาหารปฏิกูลโดยที่มันกําลังย่อยปฏิกูลโดยที่ว่าได้ขับถ่ายออกมาหรือพิจารณาด้วยการกําหนดธาตุสี่ดินน้ําไฟลม เพราะสิ่งเหล่านี้มันทรงร่างกายของเราไว้แต่เมื่อมันแตกมันแยกกันไปก็ทำให้เรานั้นก็ต้องตายนะหรือวิกฤวิการไปดันั้นที่เราอยู่ได้ก็ด้วยธาตุสี่คุมกันเข้าสามัคคีกันถ้นะว่าธาตุสี่ไม่สามัคคีกันแตกแยกกันไปเราก็อยู่ไม่ได้นะนี่เป็นเรื่องของจริตหกเรื่องของจริตหกก็คิดว่ า, าจริตหกนี้ก็ถือว่าเป็นหลักความจริงอันหนึ่ง ในชีวิตประจําวันของคนเราหรือถือว่าเป็นตําราหมอดูอย่างหนึ่งก็ได้เป็นวิชาโหราศ า, ศาสตร์ก็ได้นะโดยที่ว่าดูเอาเรื่องจริงของคนเรานไม่ต้องไปลงเลขไม่ต้องไปคํานวณดวงดาวผมไม่ต้องไปคำนวณ ว, ว, ว, ว, ว่าฤกษ์ดาองศาว่าเกิดเท่านั้นจะต้องเห็นนั้นอ่าแต่เราดูตามจริตถกก็ได้บอกได้เลยว่าถ้าคนนี้รับค่าจริตถ้าคนนั้นต้องรักสวยรักงาม เอมีความยินดีในการมาคุณห้าโรคเสียงเป็นรถในการสัมผัสนี่เราท่ายได้เลยอืแต่ให้นคนพวกนี้จะอยู่ที่ไหนก็สังเกต ด, ดูจะทําที่นั้นให้มีระเบียบเรียบร้อยให้มีความงดงามคนที่มีความกําหนัดในการมาคุณห้าแน่นอนที่สุดก็จะทําให้ทําอะไรลงไปที่ขาดขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดจิตติล้างเผลอทำให้ให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำไปตามที่ตนยึดมั่นถือมั่นนั้นทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ท่านเปรียบเหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆเมื่อน้ำน้าทีแรกมันใสเอาอะไรใส่ลงไปเราก็มองเห็นแต่พอเอาสีต่างๆตนลาลายลงไปก็จะทำให้น้ำนั้นขุน่นมืดมัวหมอง อะไรใส่ลงไปก็มองไม่เห็นนั้นคนที่มีราคะจริตมากมากเหมือนกันที่ติดอยู่ในรูปเสียงกลิก่นในรถก็เหมือนกับคนที่ตกอยู่ในความมืดที่ถูกสีคือรูปเสียงกลิ่นรถเนี่ยเข้าไปเจือนะเข้าไปแปลสภาพจิตใจทําให้มืดให้บอดให้มัว ม, มองทําให้ทําอะไรขาดเหตุขาดผลนี่แหละขาดความยับยั้งช่างใจฉะนั้นก็จึงต้องแก้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คือ พิจารณาร่างกายในภายในก็คือไกลยขตตาสติแล้วพิจารณาร่างกายไปนอกก็คือให้พิจารณาเห็นเป็นอสุภกรรมฐานและส่วนคนที่มีโทสะเจริญนี่เราก็ดูง่ายนะคนไหนที่มีอารมณ์ฉนเฉียวโมโหโกรธง่ายพูดไรนิดก่อนกับใจน้อยเนะี่ยเป็นคนใจน้อยเนี่ยเวลาบางทีไปเล่นกับเขาได้แต่พอเขาเล่นมั่งกรธเนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เขาอยอกร้อ ร้องเล่นนิดนิดน้อยก็โกรธนะนะยังไม่ใช้ไม่ได้หรือเป็นคนที่ปากไวใจใจเร็วนะทําอะไรหนักนิดหนักหน่หนอยก็เอาแล้วมีการด่าว่ากล่าวหรือต่อล้อต่อเถียนกันหรือบางทีก็มีการตีกรรมชกต่อยกันนะเป็นเหตุให้เกิดความวิวาทบาดหมางกันนะในคนมีโทสะสนิทเป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้ไม่เคยมีความสุขไม่เคยมีความเจเย็พราง <c oughs> น, นั้นเราก็จะต้องแก้ อก็แก้โดยการเจริญพริหารหรือขันติคนที่มีโทสะจริญก็เหมือนกับน้ำที่กําลังเดือดพล่านไอ้น้ําทำไม่เดือดเป็นน้ําใสเอาอะไรใส่ไปเราก็มองเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้ากําลังเดือดแล้ ว, ลวเราเอาอะไรใส่ไปมองไม่เห็นคนมีโทสะเหมือนกันทําอะไรตามอำเภอใจนะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะทําอะไรชั่วอารมณ์ลุกนะนะทําไปแล้วจึงมานึกได้ทีหลังก็สายไป ไม่น่าทําเลยนะนึกว่าตัวเองไม่น่าทําเลยผมที่สุดบางทีก็ต้องไปติดพุกติดตรางไปนอนอยู่ในห้งนะองสายบัวนะม้งสายบัวซะและ้วนะหรือมิฉะนั้นก็ทําให้คนอื่นเขาต้องตายต้องเลยรับความทุกข์ความเดือดร้อนชั่วอารมณ์โกรธเพียงนิดเดียวอ<ม>นะส่วนคนที่มีอมโมหะเจริญก็คือว่าคนที่มีความลุ่มหลงมากนะล่มหลงมากพวกนี้ก็เหมือนกับคนที่ เหมือนกับน้ําที่เต็มไปได้วยโคลนตมนะมันมืดมองไม่เห็นนะมืดมองไม่เห็นมืดหัวมองมองไม่เห็นทั้งนั้นนะบังปิดบังปัญญาไม่เกิดก็จึงต้องแก้โดยการเรียนมากๆศึกษามากๆการถามท่านผู้รู้มากๆฟังมาก ๆ, ๆก็จะช่วยให้สติปัญญาจะเริ่มรุ่งเรืองได้แล้วคนที่มีความวิตกกวนคิดมากเนี่ยอันนี้เราก็ดูได้มีความเพ่งสร้านลาคาญใจอยู่ตลอดเวลา อันนี้คนที่มีความวิตกกังวคิดมากนี่ถ้าเขาก็ทาําทอมีเพื่อนฝูงก็ดีทอมีเพื่อนคุยเพื่อนอะไรก็รู้สึกว่าจะคิดดีพูดดีแต่ถ้าอยู่ทำําพั ง, งก็จะทาให้เป็นคนคิดมากคิดจนปวดหัวะดูไมดีก็ทําให้เป็นคนแก่เร็วนะเป็นคนแก่เร็วบางครั้งก็ทําให้เป็นโรคประสาทโรคหัวใจไปเลยก็ได้นะกราีนี้มาที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองฉะนั้นอาเมื่อเราพูดถึง วิตกเจริญก็ดีหรือศรัทธาเจริญผู้ที่มีศรัทธางิง่ายเราก็จะต้องแก้ด้วยการพิจารณาคุณของพระพุะทธธรรมผสมพุทธเจริญก็แก้ด้วยการนึกถึงพระใจรักแล้วก็มรณะสติก็จะทำให้เรานั้นมีสติปัญญาได้ถ้าจะมีคำถามว่ากรรมฐานอะไรเป็นที่สบายแก่จริตทั้งปวงอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าอารูปฌานสี่ ภูตกสิณสี่ 4, อโลกะกศิณหนึ่งอากาศกกสิณหนึ่งหลังนี้แหละเป็นที่สบายแก่จริตทั้งปวงหรือถ้าจะมีคําถามว่าราคาจริตและโทสจริตอนาคามีมรรคตัดให้เป็นสมุดเฉดได้โมหะจริตขอไปทางโทษเฉพาะจาริตสามเบื้องต้นมรรคไหนตัดให้เป็นสมุดเฉดได้มีอะไรเป็นหลักเทียบอันนี้เราก็แก่ว่าราคาจริต และโทสาจริตอนาคามีมักต์ตัดได้ให้เป็นสมุดเทศคือโดยเด็กขาดได้โมหะจริตอรหัตตมักต์ตัดได้มีสังโยสิเป็นหลักเทียบเคียงเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องจริตหกมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร